ข้อที่23่าข้าแต่มหาราชก็คนคบคนใดคนใดเป็นคนสงบหรือไม่สงบมีศีลหรือไรศีลก็ตามเขาย่อมไปสู่อำนาจของคนนั้นนั่นแหลบุคคลทำคนเช่นใดให้เป็นมิตรและคบสนิทกับคนเช่นใดเขาก็เป็นคนเช่นนั้นแล เพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้นคนชั่วใครครบเข้าก็เปื้อนคนคบใครแต่ต้องเข้าก็เปื้อนผู้อื่นซึ่งเป็นผู้แต่ต้องซึ่งมีไดเปื้อนเหมือนลูกสอนอันร้ายมงเล็บเปิดที่กำทราบด้วยยาพิษวงเล็ปิดก็ลอยติดแล้งไปด้วยเชนั้นเพราะกลัวจะพลอยเปื้อน เทรชนจึงไม่ควรมีคนชั่วเป็นสหายเสียเลยนาราไดเอาใบยญาคาห่อปลาเน่าแม้ใบยญ้าคาของนารานั้นก็วงเล็บเปิดพลอยวงเล็บปิดเหม็นฟุ้งไปด้วยฉันใดการครบคนผ่านก็ฉันนั้นส่วนนาราไดเอาใบไม้ห่อกฤิศนาแม้ใบไม้ของนารานั้น ก็วงเล็บเปิดพลอยวงเล็บปิดหอมฟุ้งไปด้วยฉันใดการคบนักปราดก็ฉันนั้นเหตุนั้นบัณฑิตรู้ความอบรมของตนวงเล็บเปิดว่าวงเล็บปิดเหมือนใบไม้สำหรับห่อแล้วไม่ พ, ง พ, รรพึงคบพวกสัตวรร์บุตพึงคบพวกสัตว์บุตรวงเล็บเปิดเพราะวงเล็บปิด พวกอาศับรุษย่อมนำไปสู่นรกพวกสัตวรุษย่อมให้ถึงสุขติ